วันนี้กนะ็เป็นวันหยุดของเราซึ่งก็ใกล้กับวันที่คล้ายวันอาสารห์ปุรณมบิบูชาแล้ก็วันที่เราจะาพระภิสุสงจะจำพรรษาซึ่งในวันอาสารห์บูชาหรือว่าเพ็ญเดือน8เป็นวันที่สําคัญทางพุทธศาสนานั้นดังที่เราทราบกันดีแล้วว่าวันสําคัญทางพุทธศาสนานั้นวันที่พระพุทธเจ้าของเรา นะัทรงประสูตินัตตะสรูนะนะแล้วก็สแสดงว่าปฏิโมกแล้วก็สแสดงธรรมครั้งแรกสแสดงธรรมครั้งแรกนี้ก็มีความหมายมากทีเดียวนะเพราะว่าสแสดงธรรมที่เรียกว่าธรรมจักกับภพตันสูตรแว่าสูตรที่ว่าด้วยความเป็นไปนะของการกระทำสองอย่างคือความสุขแล้วก็ความทุกข์ ซึ่งในสมัยพุทธ ก, กาลนั้นนักพจน์ทั้งหลายนักบวชเนี่ยมักนิยมที่จะทรมานตนนะไม่ใช่ออทหารนิดหน่อยก็บอกว่าเป็นอตัตตกิริมฐานโยกนะอันนั้นไม่ใช่การทรมานตนก็เรียกว่าอดทหารเรียกว่าให้บรรลุหรือว่าการที่กั้นลมหายใจการกำมืออย่างนี้เป็นต้นเนี่ย ยิ่งกับเป็นโรคีหรือว่านักว่วนอาจจะถอนผมนะนะดึงเส้นผมออกมาให้มันเกิดทุกขเวทนามากๆทรมานตนมากๆ ก, กว่างั้ น, น่ะเพื่อที่จะให้สำเร็จหลุดพ้นไปได้แต่วิธีการทั้งหลายเนี่ยพระพุทธเจ้าของเราได้ทดสอบทดลองทำมาหมดแล้วปรากฏว่าก็ยังไม่ได้นะไปศึกษากับท่านอาราณะบดุท t h a าบดาบจนได้สมาบัติ8 นะสมาบัติ8สมาธินยกว่าแน่วแน่ทีเดียวแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะบรรุธรรมได้แต่สมัยเด็กๆพระพุทธเจ้าของเราเคยนั่งสมาธิใต้ต้นว่าตอนที่มีการจรดพนางคันแรกนาขวัญกันนะั่นแหละปรากฏว่าพระพุทธเจ้าเราเข้าสู่สมาธิแล้วจิตเข้าสู่ปฐมฌาน นะจิตเข้าสู่ผสมชาดนี่หนึ่งลึกกันไปแล้วเข้าฌานเกิดสัศจรรย์ว่าถึงจะบ่ายแล้วเงาต้นว่านั้นก็ยังคงตั้งตรงอยู่ว่างั้นอ่ะนะป้องกันความร้อนนะกับพระพุทธเจ้าของเราอันนี้คงจะเป็นด้วยบุญบารมีของพระพุทธเจ้าของเราทํามาแล้วอะไรก็เกิดขึ้นได้นะหนึ่งของบุญเรื่องของกุศลเนี่ยนะเสร็จแล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงระลึกมาในแบบว่าสมัยเด็ก เคยนั่งสมาธิได้อย่างนี้เฉลยว่าเราลองนั่งดูโดยใช้อนาปานสติฝึกดูว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกนะสมัยก่อนพระองค์พุทธเจ้าเนี่ยยังไม่มีพุโทโธอ่ะก็ดูแต่ลมเข้าลมออกมีสตินะเมื่อมีสติแล้วจิตก็มีความสงบขึ้นมาได้ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์นี่แหละนะวันขึ้น15กห้าำถึงป พรองค์ในยามที่หนึ่งก็คือ6โมงเย็นไปถึงสี่ทุ่มนะเข้าสมาธิพอเข้าสมาธิได้แล้วเวลาถอยจิตลงมาเนี่ยร ะ, ะลึกชาติได้บุพเพนิวาสนานุสติญาณนะตรงนี้สาคัญแล้ว น, นบุพเพนิวาสานุสติญาณยานึานลลกชาติผหลังได้ว่าก่อนที่จะมาเกิดชาตินี้เราเคยเกิดเป็นอะไรบ้างเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นเทวดาเกิดเป็นพรหม เนะื้อเกิดเป็นสตัตว์เดรัจฉานเนื้อตกไปในอวัยวุมในนรกต่างๆนี่พระพุทธเจ้าทรงระลึกได้อันนี้เป็นเครื่องยืนยันแล้วว่านะสวรรค์มีจริงออนรกมีจริงนะสตัตว์เดรัจฉานมีจริงอยู่แล้วแต่ว่าคนเราเนี่ยจิตของคนเรานี่แหละก็ไปเกิดในเดรัจฉานผูมิได้พอมีบุญขึ้นมาก็เกิดพอเป็นมนุษย์เนี่ยนะมาเป็นมนุษย์นะนนษขึ้นมาได้อย่างเงี้ยคือจะ เวียนเปลี่ยนไปตามเหตุตามปัจจัยตามกรรมถ้าเรามีกรรมที่ดีนะตอนก่อนจะตายแล้วเลิกถึงกรรมดีเราก็จะไปเกิดที่ดีแต่ถ้าเกิดว่าก่อนจะตายนะั่นแหละนะแลลิศถึงกรรมไม่ดีเราจะเกิดในภพชาติที่ไม่ดีนี่เราจะรู้ได้อย่างไรเราช่วงจะตายเราจะเลิศได้อย่างไรเราต้องฝึกเาไว้ก่อนในปัจจุบันนี้นะฝึกไว้ก่อน เราฝึกมีการให้ทานไว้ให้จิตของเราเบิกบานในการทำบุญทำทานเสสละเช่นการใส่บาตรนะเป็นต้นฝึกกันไว้ฝึกมีความเสสละให้จิตใจของเรามันมีความเบิกบานเราก็จะจำได้นะว่าตอนเช้านะเราก็เคยมาใส่บาตรเราทำบุญเป็นประจำนะถึงวันหยุดเรามานั่งสมาินะถึงเวลาแล้วเราก็ไหว้พระนะัสมานสิการไหว้พระเนี่ย นะนะพระพุทธรูปเนี่ยทำด้วยเหล็กทำด้วยไม้ทำด้อิฐก็ตามองค์เล็กองคใหญ่ก็ตามเนี่ยถ้าเราจะไปกราบที่ไหนนะอย่างหนึ่งเราก็ดูในปรติมากรรมของประเทศนั้นๆเขาทำอย่างไรนะแล้วเราก็น้อมระ ล, ลึกมาถึงคุณของพระพุทธเจ้าสาประการนะคุณข้อที่หนึ่งพระมหาการุณาธิคุณข้อที่สองนะพระบริสุทธทิคุณ ข้อที่สามพระปัญญาคุณนะเราจะกราบนะพระพุทธเจ้าเราก็ต้องระลึกถึงคุณนะรนะะลึกถึงคุณท่านว่าพระองค์นี้นะมีพระหมหากราบที่คุณนั้นอันกว้างใหญ่ไพศาลหาที่สุดหาที่ประมาณไม่ได้นะถ้าพระองค์เนี่ยไม่สร้างบา ร, รมีมาตัสรู้เนี่ยนะเราก็จะไม่รู้หนทางในการปฏิบัติธรรมะไม่รู้จักเรื่องบุญ ไม่รู้จักเรื่องของบาปไม่รู้จักสวรรค์ไม่รู้จักนรกนะไม่รู้จักพบเทวดาไม่รู้จักนิพพานเราก็จะไม่รู้จักเลยเราเกิดขึ้นมาในโลกแล้วเราก็มีความโกรธมีความหลงมีความโลภเราก็คงจะทำไปตามความโลภโกรธหลงนี่แหละใช่ไหมเมื่อเราทําไปแล้วก็มีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนอยู่เสม อ, อมทั้งในภพปัจจุบันนี้น่ถ้าเกิดดับจิตลงไปแล้ว นะไปสู่อวัยภูมินะก็ไม่มีใครจะช่วยเราได้แล้วเนี่ยเราก็ยิ่งจะได้รับทุกขเวทนาทางกิจใจนี้แสนสาหัสทีเดียวนะกว่าจะขึ้นมาได้จากอาวัยภูมินั้นกลับมาเกิดเป็นมนุษย์นี่ก็โอ้แสนจะลำบากเราก็ระลึกไปในพัมหาการรมาที่คุณของพระพุทธเจ้าเนี่ยอันกว้างใหญ่ไพศาลหาที่สุดหาที่ประมาณไม่ได้พระองค์นี่สร้างบารมีมา นะก่อนหน้านี้ก็จํานวนมากนะเป็นหลายๆ ล, ล้านปี น, นะมากมายเนี่ยมาชาติที่พระองค์ได้รับพยากรแล้วภาษีอสงไขยแสนกับนึกแต่นับเป็นปีไม่ได้เอาล้านล้านคูณเข้าไปเรื่อยๆถ้าเราพูดล้านคูณล้านไปเรื่อยๆทั้งวันเนี่ยก็ยังไม่พอเลยกับภพชาติที่พระองค์ได้เมียนว่าตายเกิดที่ปรารถนาจะสําเร็จเป็นพระเจ้าหรือสัตว์ขนสัตว์ออกจากพระตัาคงสารนี่เราก็ระลึกไปในคุณของพระองค์ดิ ว่าวางใหญ่ไปสารหาที่สุดทันที่ประมาณไม่ได้พระองค์ตรัสรู้แล้วก็ยังไปแสดงธรรมอีกนะมีพระมหาคุณาธิคุณนะมากมายสองนะพระบริสุทธิคุณพระองค์ที่จะไปแสดงธรรมนั้นนะแม้กว่าพระองค์ก็เป็นพุทโธแล้วถึงจะเป็นพระขวาเป็นผู้รู้แล้วผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วในใจนะถึงเป็นพระขวาคือจําแนกแก่แกลียงธรรม ในพระองค์ก็ไปแจกแกลงธรรมนี้เกิดจากจิตที่บริสุทธิ์แล้วจิตนี้จะบริสุทธิ์ได้อย่างไรจิตของเราปกตินี้บริสุทธิ์ไหมนะเพราจิตตัง้งพระพัสรังจิตเดิมนั้นเป็นพระพัฒสอกิเลสนั่นจรมาภายหลังนะจิตทุกดวงน่ะเป็นพระพัฒน์สอนนั้นแหะนะนะมีความมีความใส่อยู่นะมีความสะอาดอยู่แล้วนะแต่ว่าความใส่ความสะอาดนี้เนี่ยมันไม่คงที่ นะมันยังไม่คงที่หรือยังไม่มีความเสถียรภาพนะมันมีการเปลี่ยนแปลงได้เมื่อมีอารมณ์เข้ามาสู่ใจของเราเนี่ยนะก็เกิดความรู้สึกนะเกิดความโลภความโกรธความหลงได้ก็ทําให้นะใจของเราที่มันพระพัฒสอนเนี่ยมันก็เศร้าหมองลงให้มาเศร้าหมองเนี่ยเมื่ออารมณ์เข้ามามากมากขึ้นกิเลสมันก็เกิดบ่อยๆขึ้นมันก็เศร้าหมองไปเรื่อยๆนานๆขึ้น ก็มองไม่เห็นความประพัฒสอนเลยมองไม่เห็นเลยเพราะว่ากิเลสมันเกิดขึ้นมามากๆ ม, มันก็พอกปูนเข้ามาในจิตใจของเราเนี่ยเกเลสมันไม่ใช่ของเดิมที่มีอยู่แล้เป็นของมาใหม่แต่บัรจรมานานแล้วมันมาอยู่นานแล้วก็นับพบนับชาติไม่ได้เหมือนกั น, นว่าเมื่อไหร่พระพุทธเจ้าพระองค์เนี่ยได้บุพเพนิวาสานุสติญาณลึกชาติไปลึกไปแล้วโอ้ว่ต่าสงสารที่เริ่มต้นเนี่ย นะจิตของเราที่มารับรู้อารมณ์นี่เมื่อไร่ด้านหาไม่เจออ น, นิยายของพระพุทธเจ้าน ะ, ล, ะลึกไปร้อยชาติแสนชาติหมื่นชาติล้านชาติาตาตนะในหลายล้านชาติก็ยังมีพบชาติไปเรื่อยๆนะมีไปเรื่อยเพราะจิตดวงนี้เนี่ยท่องเที่ยวมาอยู่ในวัฏฏสงสารนี่มันนานแล้วนานมากไม่ต้องไปนับไม่ได้หละพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์เนี่ยที่ตัดสิรู้ไปแล้วนะท่าบอกว่ามากกว่า มารีสไซในแม่น้ําคงคาแม่น้ําคงคาที่กว้างใหญ่นะยาวด้วยนะนะแล้วก็มีทรายมากพระพุทธเจ้าตัสรู้ไปมากกว่านั่นนี่แล้วจิตเนี่ยมันท่องเที่ยวมานานแล้วนะพระตะสงสารถ้าเรารี่ว่าเราเกิดมีชาติหน้าชาติถิ่แล้วแล้วก็มีชาติของชาติถิ่แล้วไปเรื่อยๆมันจะจบตรงไหนมันยังจะมีพบมีชาติไปเรื่อยๆเห็นไหมนี่กิเลสเนี่ยมันมีความเคยชินอยู่ในจิตใจของเรามานานแล้ว่จิตที่เป็นพัดพัดสอนอยู่ เมื่อถูกกิเลสมันครอบงำไว้อย่างนี้มันก็เศร้าหมองมาเป็เศร้าหมองมานานจนเราก็หาไม่เจอว่ามันประพัฒสอนอย่างไรนะองค์สมเด็จพระสัทธาสัมมาสมัมพุทธเจ้าตรงสร้างบา ร, รมีแล้วคนพบแล้วแล้วก็รู้แล้วแล้วก็แจ้งแล้วว่าโอ้จิตดวงนี้แต่เดิมประพัฒสอนนะเออแต่กิเลสมระจอนมาภายหลังเพราะฉะนั้นจะต้องเอากิเลสนี้ออกไปจากใจจิตก็จะประพัฒสอนเหมือนเดิมและไม่ให้กลับเศร้าหมองใหม่ ก็คนพบว่าจะทำจิตนี้ให้บริสุทธิ์อย่างนี้ได้เนี่ยนะก็เดินในศีลสมาธิแล้วก็ปัญญานะเมื่อมีศีลแล้วกายวาจาถูกต้องดีแล้วกระทำจิตให้เป็นสมาธิเมาอจิตเป็นสมาธิเนี่ยเราจะเห็นแล้วว่าจิตประภัสอนอย่างไรกิเลสมันจะค่อยๆถอยห่างไปก่อนนะเราจะกลับสู่ความเป็นประภัสอนของจิตแต่เดิมเราได้นะพอมีความผ่องใส มีความสะอาดอยู่แล้วเนี่ยนะอยู่ในจิตของเราจริตมีความใสแล้วมีความสะอาดเราก็จะมองเห็นจิตมีความเย็นด้วยเมื่อจิตมีสมาธิเนี่ยตั้งมั่นเนี่ยแม้เล็กน้อยนรเห็นว่าเราจะมีความอิ่มใจมีปิติมีความสุขขึ้นมาปิติสุขนี้เกิดขึ้นนะไม่ได้อาศัยสิ่งนะภายนอกเกิดจากจิตที่สงบ นะก็จะจิตที่สงบในสังคมปัจจุบันนี้เนี่ยเรารับรู้ข้อมูลข่าวสารอะไรมากมายตลอดจนเด็กก็มีการเล่นเกมมากมายจนว่าจิตนี้ไม่เคยนิ่งเลยจิตไม่เคยสงบเลยมันไปติดกับสิ่งข้างนอกหมดนะสิ่งข้างนอกที่เราพัฒนากัรขึ้นมาว่าเจริญเนี่ยจิตมันก็ยิ่งไปยึดไปหมายไปติดไปมากขึ้นเมื่อติดมากๆขึ้นแล้วนะความสงบของจิตมันก็หมดไปเราจะทําจิตให้มาสงบนี่มันก็ยากขึ้นตามลําดับ แต่ถ้าเราพยายามฝึกให้มีพุโทโธธรรมโมสังโคนะพยายามนะที่จะนั่งสมาธิเดินยกยมเนี่ยฝึ ก, กจิตของเราให้มันนิ่งนะได้สัก5้านาทีเราก็จะเห็นคุณของสมาธิแล้วว่ามันมีความอิ่มใจอย่างไรมีปิติมีความสุขวันไหนวันใดนั่งสมาธิแล้วรู้สึกว่าชีวิตในวันนี้มันยังขาดอะไรอยูนะ่อาหารของใจยังไม่พอ เมื่อเรามานั่งสมาธิจิตก็มีปิติมีความสุขใจอิ่มใจไม่คิดฟุ้งซ่านไปที่ไหนนะสักหนึ่งชั่วโมองเนี่ยอาจจะสงบสัก1ินาทีก็พอแล้วนะจิตมีกำลังแล้วพระรูเจ้าก็สอนว่าให้ทำอย่างนี้นะจิตจะเป็นพระผัสสอนกลับมาใหม่ได้เมื่อจิตสงบแล้วธรรมชาติของจิตก็ออกจะคิดนึกปรุงแต่งอีกก็เอามาปรุงแต่งคิดพิจารณาในเรื่องของกายนี้ว่ากายนี้เป็นอย่างไร เกิดขึ้นมาได้อย่างไรแล้วก็จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรในสุดจะต้องแตกสลายอย่างไรความเห็นของใจของเราก็ยังมายึดอยู่แล้วว่านี่คือเรานี่คือของเราทำไมเรามีความเห็นอย่างนี้เกิดขึ้นมาก็เห็นอย่างนี้เกิดมาหลายภพหลายชาติเราก็มีความเห็นอย่างนี้แหละหลงอยู่แล้วว่านี่คือเรานี่คือของเราจึงเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาจึงเป็นเหตุให้เกิดความโลภโกรธหลงขึ้นมา ยนลากเงานะลากเง้าของกิเลสเนี่ยนะก็คืออะโลภะอทสศมโหหานี้เรามาจะไม่โลภไม่โกรธไม่หลงนี้ออกจากออกจากการเป็นไหว้ตายเกิดได้แต่ว่าถ้าเราเนี่ยนะมีโลภมีโกรธมีหลงแล้วอันนี้เป็นลากเง้าของกิเลสที่จะทําให้เรานั้นเบียนไหว้ต่เกิดในวัฏฏะทุกขสารนี่พระพุทธเจ้าส่งคุณพบแล้วว่านะทางนี้แหละน่าจะทําให้จิตบริสุทธิ์ได้ ยิ่พระ อ, องค์เนี่ยเป็นผู้ที่มีจิตที่บริสุทธิ์แล้วนะจึงแนะนำว่าเป็นพระอรหันต์เป็นผู้ไกลจากกิเลสตต่สรู้ชอบได้โดยพระ อ, องค์เองแล้วนี่เราก็ระลึกไปในคุณข้อที่สองของพระพุทธเจ้าเราจะไปกราบพระอยู่ประเทศอินเดียประเทศไทยประเทศจีนก็ตามก็ระลึกอย่างนี้ร ะ, ะลึกโอ้พดุทจ้าของเรานะพระ อ, องค์นี้มีพมระอรรถมรรคานิยมกว้างใหญ่ไพศาลอันทสุดเท่าที่ประมาณไม่ได้จริงๆ องค์จิที่บริสุทธิ์หมดจดจากเครื่องเศร้าหมองจากกิเลสทั้งหลายแล้วนะรั ล, ะละ็กพระองค์นี้มีพระปัญญาพระปัญญาคุณนะปัญญาอย่างไรไม่มีใครเลยในโลกในเทวโลกพรมโลกเนี่ยจะสามารถเอาชนะอาวิชาตันหาอุปท า, านได้ไม่มีนะไม่มีพระบรุตรเจ้าของเราเป็นพระองค์แรกนะ เอาชนะเอาวิชาทนายประธานได้มีปัญญามากรู้แล้วนะว่านรกมีจริงสรงนะวรรค์มีจริงนะเทวดามีพรมีนะมีจริงจิตนี้ท่องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดระวัฏสงสยัยเป็นอนเนกชาติอุ่พระองค์สรค้นพบแล้วมีปัญญาเนีย่ยเป็นพระปัญญาที่ขุณเราก็ระลึกไปเมื่อเรามีความศรัทธามีความนื่มใสในพระพุทธเจ้าชนีแล้วเนี่ยครา้นี้เราก็ปฏิบัติตามนี่ เราบูชาด้วยดอกไม้ของหอมแล้วการกราบการไหว้แล้วก็ได้บุญส่วนหนึ่งละคราวนี้เราก็ปฏิบัติตามอย่างเช่นพวกเราเนี่ยมาวันเสาร์อาทิตย์เรามาปฏิบัติตามโอวาทคาสอนของพระพุทธเจ้าเราก็มานั่งสมาธิดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกนึกภาวนาลมหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทเนี่ยทำจิตให้สงบในเบื้องต้นนี้นะก็พยายามสํารวมจิตขึ้นมาแล้วนี่คือเราปฏิบัติตามเนี่ ปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าพระองค์สารเสริญ น, นะว่าให้พวกเราปฏิบัติบูชาแม่พระองค์จะเสด็จดับกัปรปเสนิพานพระองค์ก็ยังต้องการให้พวกเรานี้ปฏิบัติบูชามากกว่าบูชาอย่างอื่นนะเพราะว่าการบูชาด้วอการกราบไหว้อย่างเดียวนี้นะพระองค์ไม่ต้องการะเพราะว่ามันไะม่เกิดประโยชน์อะไรกับเรามากมายนะแต่ถ้าเราปฏิบัติบูชานี้จะเกิดประโยชน์แก่เรามากมายอันนี้พระพุทธเจ้าเห็นไหมว่มา พระองค์ไม่ต้องการความผนลบไม่ต้องการความคารวะอะไรจากเราเล ย, เยมีแต่จิตที่มีพระหมหากรุณาธิคุณต่อเราอีก น, นะในภาษาสดาของเรานี่นะมีความประเสริฐที่สุดแล้วนะนี่พวกเราเนี่ยโอกาสถ้าเราคิดดีพอโอกาสนะโอกาสที่เราจะได้มาพบคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันจะยากหรือจะง่ายาถ้าเรามองเป็นภาพกว้างๆว่าชีวิตของเราเนี่ เมียนว่าตายเกิดในีว่าต่อสองสารนะโอกาสที่จะมาพบกับพระพุทธศาสนาเนี่ยมันจะยากและยังง่ายหรือในชาติปัจจุบันนี้เนี่ยพระเจ้าก็ยังตัดว่าบุคคลที่จะมีไตสรารคมมีสินนี้นะก็เหมือนกับว่าเขาของงัวคนในโลกนี้ก็เหมือนขนของงัวเนี่ยสมัยก่อนพระ อ, องค์ตัดอยู่ในอินเดียนะก็อาจจะเปรียบเทียบกับประเทศอินเดียหรือประชาชนนะั้นแหะแต่ว่าพระ อ, องค์ก็รู้แล้วว่าในโลกเลยมีคนมากมาย ถ้าปัจจุบันนี้เราก็ยิ่งรู้แล้วว่าคนในโลกเท่าไหร่นะแล้วก็คนที่จะมีศีลละธรรมเนี่ยมีจํานวนมากไหยเออจะมีตั้งใจไปจะรักษาศีลหรือคนที่จะตั้งใจรักษาศีลห้าตลอดชีวิตเนี่ยจะมีสักกี่คนเนี่ยมันจะน้อยลงไปอย่างนี้นะน้อยลงไปอย่างนี้แต่พวกเราเนี่ยเกิดมาเป็นมนุษย์พบกับพทธศาสนาแล้วนี่เราจะปล่อยโอกาสอันนี้ให้พลาดไปนะโอกาสดีของเราแล้วนนั่นในชาตินี้ เร่อว่าเรามีบุญเรามีกุศลแล้วนะที่พุทธศาสนานี่ก็ยังอยู่เนี่ยเราต้องตั้งใจที่จะปฏิบัตินะมีศีลมีธรรมภาวนาทำบุญทำทานส่วนใหญ่แล้วชาวพุทธของเราก็มีการทำให้ทานเนี่ยเป็นปกติแล้วนะมีการให้ทานจะคำภาษาก็มีการทำบุญก้าววัดอกีกนะออกภาษากันั่นะระหว่างภาษาก็มีพระปาออกภาษาก็มีกฐินนะเราทำบุญกันเป็นประจำนะฐนะานะบา ร, รมีที่ทำประจํา นะแต่ข้อศีลบา ร, รมีนี้เราอาจจะอ่อนลงไปนะศีลบา ร, รมีอ่อนลงไปยังไม่ครบในศีลสมาธิ ป, ปัญญาอืทางที่เราจะพ้นทุกข์หรือว่าทําจิตของเราประพัสดจิตนี้เนี่ยถ้าเราทําประพัสดได้ในใจจะมีความสุขมากสิ่งที่เราหากันเป็นวัตถุข้างนอกเนี่ยนะมันทั้งโลกนี้เนี่ยนะยังไม่เท่ากับจิตของเราที่ประพัสดเอาทั้งโลกนี้เป็นของเราคนเดียวเลยยกให้เราเลยเนี่ย เป็นผู้ครองโลกนี้คนเดียวเลยทั้งหมดเลยทุกสิ่งทุกอย่างทรัพย์สิสนเงินทองอะไรๆในโลกนี้เป็นของเราเนี่ยนะมันเป็นข้างนอกมันยังร้อนอยู่เพราะอะไรเมื่อเป็นของเราแล้วก็จะต้องมีความกลัวมีความห่วงเมื่อสิ่งเหล่านี้มันเปลี่ยนแปลงไปตามกฎของอนิจจังทุกขงกังอนัตตาก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาอีกแล้วในใจเกิดความสูญเสียไปก็คือเป็นความทุกข์ขึ้นมาแล้วนะเพราะเป็นของเราเนี่ยเอาคนในโลกนี้ก็เป็นของเราอีก คนนั้นตายไปเราก็จะทุกข์อีกแล้วเพราะว่าเรารักทุกคนในโลกนี้เพราะเป็นของเราเรายิ่งจะมีความทุกข์ระดับโลกไปเลย น, นันี่นะเราจะหาที่อยู่ได้ไหมเออเดี๋ยวตรงงูนไฟไห ม, งงม้ตรงงูนน้ําท่วมต้องงูนเครื่องบินตกตรงงูนรถไฟเกิดอุบัติเหตุรถยนชนการตาย เ, าเป็นคนของเราทั้งหมดเลยเป็นญาติเราทั้งหมดเลยเราจะรับไหวไหมเนี่ยเราจะทุกข์อยู่ทุกวันทุกวันนะนะนี่ทุกวันเลยทุกชัว่วโมงทุกนาทีเลยก็ว่าได้เนี่ย น่นเราจะอยู่ไม่ได้เลยเนี่ ย, ยถ้าโลกนี้เป็นของเราคนเดียวเวลาสุขกระสุขไปคนเดียวมากมายเลยทุกข์กระทุกข์อีกจะรับไม่ไหวเหมือนกันนะเพราะชีวิตนี้มันเป็นของไปเที่ยงแท้แน่นอนวัตถุสิ่งของก็แตกสลายไปแต่ว่าถ้าเราจิตของเรามาประพัฒน์สอนแล้วเนี่ยข้างในมีสติมีปัญญาขึ้นมานะโอ้มันมีความสุขมากกว่าที่จะเป็นเจ้าของโลกนี้ทั้งโลกนี่แหละมีความอิ่มใจปิติใจ สุขใจขึ้นมาเนี่ยนะพระพุทธเจ้าพระองค์ตัดพระธรรมคําสอนเอาไว้แล้วเป็นจริงเป็นหนึ่งไม่มีสองนะพระองค์เทศนาการแรกเห็นไหมยังกินจิดสมุทรยะทำมังสะพันตังนิโรธาธรรมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดเป็นธรรมดาสิ่งทั้งมวลนั้นย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดาไนะพระพุทธเจ้าตัดสอนสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปเอาเราพิจารณาดูที่อะไรบ้างเกิดขึ้นมาแล้ว ในโลกนี้เราพิจารณาดิว่าสิ่งใดที่เกิดขึ้นมาแล้วไม่ดับไปมีไหมเราลองค้นหาดิเราเคยมีชอบเราชอบคิดชอบคิดนะชอบสร้างชอบคิดชอบประดิษฐ์ชอบสร้างองค์แต่งสร้างอะไรวัตถุในโลกนี้มากมายเรามาคิดดิว่าไอ้ที่เราคิดสร้างคิดประดิษฐ์ค้นคว้าเนี่ยเออมันจะคงอยู่ตลอดไปไหมก็คงจะพยายามให้อยู่นานๆนะแต่มาอยู่ตลอดไปไม่ได้มันมีอายุ มันมีความเสื่อมความสิ้นไปนะถ้าคันนี้ก็มาสังขาร น, นะสังขารร่างกายนี้แะมันเกิดขึ้นมาแล้วเราก็พยายามที่จะดูแลรักษาอย่างดีแล้วนะเจ็บไข้ได้ป่วยก็ดูแลอย่างดีให้อาหารให้น้ำให้ได้อยู่อาศัยให้เครื่องนึงม่มขมแต่มันก็เสื่อมไปนี่เป็นสังขารเป็นอย่างนี้นะสังขารละสิ่งที่มีปัจจัยปรุงแต่งเรียกว่าสังขารนะเรียกว่าสังขารก็สิ่งที่มีปัจจัยปรุงแต่งขึ้นมา ร่างกายนี้ก็มีปัจจัยปรุงแต่งแต่มีวิญญาณครองตอน้นไม้ภูเขาก็เป็นสิ่งที่มีการปรุงแต่งเกิดขึ้นมาไม่มีวิญญาณคองสิ่งทั้งสองอย่างทั้งมีวิญญาณคองและไม่มีวิญ ญ, ญาณครองนี้เนี่ยมันเป็นไตลักษ์ทั้งนั้นแหละกฎของไตลักษ์ก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งโลบทั้งนามอยู่ในกฎของไตลักษ์กฎของอนิจจังทุกขังอนัตตา พระพุทธเจ้าก็ตัดกฎของอ น, นิจจังนี้เลยการแรกนี่แหละธรรมาจักรกับปวตธรรสูตรนะว่ายังกินจิสมุทะยะธรรมังสพันตังนิโรธาธรมมันติเทศนาสอนพระปัญจวคีการแรกเลยนะพระปัญจวคีนี้ก็ลองฟังดูก่อนพระพุทธเจ้าจะเทศอะไร น, นักป่าชญจะต้องลองฟังดูพระพุทธเจ้าก็เทศอนะไรว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นสิ่งทั้งมวลนั้นย่อมมีความดับไปนะฟังดูแล้วก็ดูง่ายๆ แต่ว่าจะเห็นได้ยากนะเห็นได้ยากมันร่างกายนี้แหละมันมีความเกิดขึ้นมาแล้วมันจะต้องมีความดับไปแต่ใจที่มีความยึดใจที่มีความถืออยู่เนี่ยลึกๆแล้วนีนะ่มันต้องการให้อยู่ตลอดไปไม่ต้องการดับนี่ก็คืออวิชชาตัณหาอวทานมันมีลักษณะอย่างนี้เมืนะ่อมันยึดถือแล้วมันก็จะต้องการถาวรตลอดไปนะต้องการความสุขอย่างเดียวไม่ต้องการความทุกข์มันก็ไม่ได้ เมื่อสิ่งที่เรารักเราชอบมันแปรเปลี่ยนไปตามกฎของตจลักของอดิจังทุกขรังอัตราใจก็เป็นทุกข์ขึ้นมาแล้วนะใจก็เป็นทุกข์ขึ้นมาแล้วเมื่อใจเป็ทุกข์ใจก็เศร้าหมองใช่ไหมกิเลสมันก็ครอบงมจิตของเราเรื่อยไปอย่างนี้แหละตั้งแต่เราเกิดขึ้นมาเราจะเริ่มเติบโตขึ้นมานะเราจะหาความสุขกันแต่เรากําลังวิ่งไล่ความสุขเราจะหาไม่เจอสักครั้งเลยนะไม่เจอเลยคิดว่ามีนี่แล้วก็จะมีความสุข ก็ยังไม่สุขนะมีรถสักคันหนึ่งก็จะมีความสุขก็ไม่สุขอ่ะมีบ้านสักหลังจะมีความสุขก็ยังไม่ไมสุกอีกมีทรัพย์สินเงินทองแล้วก็ต้องระวังมันจะหายมันยังไม่สุขจริงๆนะนะต้องรักษาว่าอย่างนี้มีเครื่องเพชรเครื่องพลอยเครื่องประดับเราหายไปเรายยตกนรกเลยเห็นไหมตกนรกเลยหรือมีทรัพย์สินมากๆคนอื่นก็ทำร้ายเราอีกเนี่ยเหตุนํามาส่งความทุกข์เกิดขึ้นอีกแ ล, แล้วไม่มีกับเป็นทุกข์ มีแล้วก็ยังไม่ใช่ว่าจะพ้นทุกนะแต่ก็ขอให้ทุกคนได้มีทุกสิ่งทุกอย่างซะก่อนแล้วก็มีปัญญาเหมือนันน่ยมีปัญญารักษาจิตของเราให้พ้นจากความทุกข์นี่พระพุทธเจ้าตัดกันแรกอย่างนี้จึงไดเช่นนึงมีความเกิดขึ้นก็มีความดับไปปัญญาโกธัญาพิจารณาแล้วดวงตาเห็นธรรมเกิดขึ้นคําว่าดวงตาเห็นธรรมนั้นอ่ะก็คือใจดวงใจหนาตาในไม่ใช่ตานอกไม่ใช่ตาเนื้อ ตาเนื้อนี่มันเกิดเห็นแบบเดิมนั่นแหละนะเห็นโลกนะหเกิเดได้ยินเสียงเห็นแล้วก็ยึดถือว่ามีเป็นตัวเป็นตนอืมมันมี็นหน้าหน้าที่ของเขาท่าอย่างเดียวนะแต่ว่าตาไหนก็คือใจนะใจนี้เมื่อใจเห็นธรรมะในว่าดวงตาก็คือใจนี้เห็นแล้วนะเห็นธรรมะแล้วว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นกระดับไปสิ่งที่เคยมีความเห็นผิด ในวสกยญาติฐิวิจิกิจชา้าสีทธุปตะ -paramat ม, มีความเห็นผิดอยู่เนี่ยเมื่อมีปัญญาเกิดขึ้นมาก็เห็นถูกต้องขึ้นมาแล้วท่านพระ ญ, ญาโคตรัญญานสินธรรมที่ปัญญารวมกันเข้ามาแล้วนะเห็นแจ่มแจ้งขึ้นมาชัดเจนในว่าดวงตาเห็นธรรมปาศจากทุลีว่านะสิ่งใดสิ่งมีความเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปอือันนี้เป็นเนที่สิ่งสําคัญในว่าพระเจ้าเทตกครั้งแรกมีผู้ที่เห็นตามพระ อ, องค์แล้ว เรียกว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็เกิดขึ้นพร้อมในโลกในวันอาสาฬหผลระดบีบูชานั่นเองที่จะเกิดขึ้นมาในวันภาคข้างหน้านั่นแหละนะที่จะครบวันครบรอบมาเนี่ยเพราะฉะนั้นะในวันนี้ก็อยู่ในช่วงฤดูการปฏิบัติพระพุทธปฏิบัติธรรมนั่นแหละให้พวกเราก็พิจารณาปฏิบัติพยายามตั้งสติของเราให้ดีนะว่าจิตนี้พอพัสดุอยู่แล้วเรานั่งอยู่นี่ถ้าเราไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเนี่ยมันพอพัสดุแล้วนะ นะและกิเลสมันจรเข้ามานะรูปเสียงกินรถโวดตะเภาธร ร, รมลมมันจรเข้ามาแล้วเราเก็พิจารณาไว้อย่าให้มันมาก้มรวมจิตใจของเรานะใจของเราก็จะสงบสบายอยู่บ้านก็ต้องระมัดระวังนะเป็นสามีภรรยากันก็ต้องระมัดระวังเพราะกิเลสมันเกิดง่ายๆอยู่กับลูกก็ต้องระมัดระวังนะแต่ก็ต้องสอนลูกนะไม่ใช่ปล่อยวางไปไม่อะไรเลยนะก็ต้องสอนลูกนะให้รู้จักออให้รู้จักที่จะให้ต่างใจศึกษาเราเรียนนเขียนอ่านให้ดี นะอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของพ่อของแม่เด็กก็ต้องตั้งใจศึกษาเ่าเรียนให้ดีนะไม่ไปติดในเกมไม่ลุ่มไม่หลงนะให้มาสนใจในการเรียนสนใจในศึกษาในธรรมะนะในข้ อ, อ ก, กตัญญูกตวเวทิตาก็ได้รักนะมีดามันดาตอบแทนบิดามันดาด้วยการเรียนเขียนอ่านให้ดีนั่นพวกเราเมื่อเร า, เรามีกัตตัญญูต่อพุทธเจ้าที่เราเคารพเนี่ยเรากับพุทธเจ้ากับพระธรรมประสงค์เรามีความเคารพคารวะต่อท่านแล้วนะเราก็ต้องมาปฏิบัติ โอกาสนะสมมติว่าโอกาสเนี่ยนะเปะ็นล้านล้านล้านชาติเนะี่ยเราอาจจะมาเจอพุทธศาสนาเนะี่ยโอ้โหไม่ใช่ง่ายเลยนะเหมือนสมมุติว่าเราจะได้เพชรนะออก้อนเท่ากับสลาหลังนี้เนี่ยนะเราไปเจอเพชรอันนี้แล้วเนะี่ยโอ้โหเราจะทํายังไงเราก็ต้องไปได้มานักษาไว้ให้หดีทีเดียวนะเนี่ยกว่าเราจะมาเจอเนี่ยไม่ใช่ง่ายๆล่นะในโลกสมมติว่าในโลกก็มีเอ อ, อยู่เม็ดเดียวเท่านั้นอ่ะนะนะ อย่างเงี้ยนี่ว่าเป็นรัตนะแต่นี้รัตนะภายนอกนะเราจะพอมองเห็นพระพุทธรัตนะทำรัตนะสังรัตนะนี้เป็นรัตนะภายในใจนะที่พวกเราได้ถึงแล้วมีแล้วนี่เป็นของประเสริฐมากกว่ารัตนะใดๆในโลกทีเดียวเห็นไหม ย, ยังกินจินะยังกิจิวิตังคิธาวรังวาสาเกสุไวยังรัตนังปณีตังนะรัตนะในโลกนี้นะในโลกในเทวโลกก็ตามเนี่ย จะเสมอด้วยพุทธรัตนะนั้นไม่มีเพราะอะไรเรามีรัตนะนั้นแล้วยังเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารแต่ถ้าเรามีพุทธพุทธรัตนะในใจนะใจของเราจะมีความอิ่มใจเราจะมีปิติใจเราจะมีความสุขเห็นความจริงของสังขารนะโอ้รัตนะในโลกนี้สู้ไม่ได้อะไรในโลกนี้ก็จะสู้ไม่ได้ในจิตใจของเราเนี่ยที่มีบุญกุศลมีรัตนะเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ย เกิดขึ้นมาแล้วนี้แหละนะเราจะมีเราจะจนเราจะมีมากมีน้อยแต่เราถึงรัตนะคือพระพุทธเจ้าแล้วทํารัตนะสั่งรัตนะแล้วนะพุทธทางสาระนังคัจฉ า, ามิแล้วนี่เรามีรัตนะภายในแล้วเป็นของมีคุณค่ามหาศาลให้เรารัรกษารัตนะที่พึ่งในใจของเราเอาไว้นี่ให้ดีแล้วก็ตั้งมั่นในบุญในกุศลตั้งมั่นในคุณงามความดีตั้งมั่นในศีลในธรรมนาประพฤติปฏิบัตินะให้เกิดสติเกิดปัญญาขึ้นมาแล้ว ศรัทธาความเพียรขึ้นมาเราก็จะเห็นธรรมะของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ทรงสอนว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นธรรมดาสิ่งทั้งมวลเนี่ยมีความดับไปเป็นธรรมดาเราเกิดขึ้นมาแล้วบางคนก็มีความเพลิดเพลินสนุกสนานไปก็เป็นธรรมดาของจิตเกิดมายังมีโลภมีโกรธมีหลงอยู่แต่เมื่อเรากลับเข้ามาแล้วเราตั้งหลักทั้งเราได้แล้วครั้นี้เรารู้จักแล้วว่าทางนี้แหละจะเป็นทางที่จิตของเราจะต้องเดิน เป็นทางที่จิตของเรานั้นจะต้องปฏิบัติให้พบกับความเป็นจริงทําหน้าที่การงานของเราก็เพื่อให้เราอยู่ได้ในโลกแต่จิตของเรานั้นต้องอาศัยธรรมะจิตของเราถึงจะมีความสุขที่แท้จริงเพราะะในสมัยพุทธกาลเนี่ยเป็นจิตนิยมกขาสัตว์ทั้งหลายออกบวชจํานวนมากอามาทั้งหลายออกบวชจํานวนมากเขาไม่สนใจในลาบยศสเสริญอะไรมากมายแล้วเนี่ออกสแสวงหาธรรมะกันอย่างนั้นเลยเพราะถือว่าธรรมะประเสริฐกว่า สิงทั้งโลกนี้มันไม่มีอะไรจะยั่งยืนแน่นอนเลยนะได้มาเกิดขึ้นมาแล้วนะก็ดับไปมีแล้วก็หาไม่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปจะเอาอะไรไปเป็นของเราแน่นอนไม่มีเห็นไหมคนตายกับแบมือเอาอะไรไปไม่ได้ดังนะั้นนะ่ะจะมีมากก็ทิ้งเอาไว้มีน้อยก็ทิ้งเอาไว้เราก็เห็นกันอยู่นะใจกิเลสมันปกปิดบิดบางกิจใจไว้ทําให้เราไม่เห็นทําให้เราประมาทอยู่ก็มีเพราะฉะนั้นพวกพวกเราเนี่ต้ยินได้ฟังธรรมะของพระเจ้าแล้วให้ตั้งจิตตั้งใจ นพะพอเพฤติปฏิบัติให้เกิดความเห็นที่ถูกต้องอย่างกิดเข้าสู่โสดาปฏิมคปฏิพลนะมีความสุขความเจริญในธรรมเท่ากันทุกท่านเถิด